วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ส2สองสิงหาคมพุทธศักราช2562สองเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่พวกเราจะได้มาลำลึกถึงพระคุณของบุคคลที่มีพระคุณกับพวกเราเป็นอย่างมากไม่มีใครในโลกนี้ ที่มีพระคุณกับพวกเราเท่ากับแม่ของพวกเราและพ่อของพวกเราเราต้องมีทั้งแม่และพ่อถึงจะมีเราได้การที่เราเกิดมาได้นี้เพราะเรามีพ่อมีแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะเกิดมาไม่ได้ นี่แหละคือความสำคัญของพ่อและแม่ต่อพวกเราพวกเรานี้ถือว่าเป็นหนี้บุญคุณของพ่อของแม่ที่เราจะไม่สามารถชดใช้ให้หมดไปได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตอให้เราแบกพ่อแบกแม่ไว้บนไหลให้ท่านอุจจระปัสสวะ ใส่ตัวเราไปจนถึงวันตายพระคุณของท่านที่เราชดใช้ก็จะไม่มีวันหมดจะหมดได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถทำให้พระทำให้ท่านพ้นอบายได้การที่จะทําให้ท่านพ้นอบายก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลนั่นเองเป็นพระโสดาบันขึ้นไป ถ้าพวกเราเพียงแต่เลี้ยงดูท่านแต่ไม่สามารถที่จะทำให้ท่านเป็นพระสวดาบารได้พระคุณที่เราที่พระคุณของท่านที่เราพยายามชดใช้ตลอดชีวิตก็ยังไม่หมดสิ้นไปนี่คือความยิ่งใหญ่ของบุญคุณของพ่อของแม่ที่พวกเรามักจะลืมกัน เราจึงต้องมีวันสำคัญอย่างวันแม่วันพ่อเพื่อมาเตือนสติให้กับพวกเรานั่นเองเพราะเวลาที่เราดำเนินชีวิตทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแก้ปัญหาอะไรต่างๆบางทีทำให้เราลืมบุญคุณของพ่อแม่ไปลืมนึกถึงพ่อแม่ไปพ่อมัวแต่มาคอย วุ่นอยู่กับการาแก้ปัญหาต่างๆของชีวิตของพวกเราเองโดยทำให้บางทีลืมพ่อหรือแม่ไปจึงต้องมีามาตรการมีวิธีคอยเตือนสติเตือนใจให้พวกเราดำลึกถึงพ่อถึงแม่เช่นวันพ่อหรือวันแม่ แต่นี้ก็ยังน้อยเกินไปเพราะว่าปีหนึ่งถ้านนึกแค่สองครั้งก็จะทำให้ลืมได้ทางพุทธเหล่านี้จะสอนให้เราล้ำลึกถึงพ่อแม่ทุกวันก่อนก่อนนอนก็ให้กราบพ่อกราบแม่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้กราบพ่อกราบแม่กราบที่หมอนนั่นละคือไม่ต้องไป ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กับพ่อกับแม่ก็กราบที่เรานอนนั่นะก่อนนอนเราก็กราบกราบพระก่อนสิ่งที่มีพระคุณกับพวกเรนี้มีสองพ่อแม่แล้วก็มีพระรัตนตรัยที่มีพระคุณต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมากเราจึงต้องพยายามล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และล้ำลึกถึงพ่อแม่ ทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งก่อนนอนให้กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้กราบพ่อกราบแม่การกราบก็ไม่ได้ให้กราบเฉยๆกราบแล้วต้องล้ำลึกถึงพระคุณไปด้วยเช่นเวลาเรากราบพระพุทธเจ้าเราก็ล้ำลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครมีบุญคุณกับเราอย่างไร พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นประโยชน์อย่างไรกับเราพระอริยสงสาวกท่านเป็นใครท่านทำอะไรให้กับเราได้บ้างแล้วก็กราบพ่อกราบแม่ว่าท่านเป็นใครท่านเป็นผู้ให้กาเนิดกับเราถ้าเรากราบอย่างนี้ทุกวัน เราจะได้ไม่ลืมพ่อลืมแม่ไม่ได้ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราไม่ลืมแล้วเราจะได้ทําหน้าที่ต่อพ่อแม่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ น, นั่นเองเราจะได้นึกว่าวันนี้พ่อแม่กินข้าวหรือยังพ่อแม่สบายดีหรือเปล่าเออันนี้มันก็จะทําให้เรามีความห่วงใยแล้วเราก็จะคอยติดตามสารทุกข์สุขดิบของพ่อแม่ มีเวลาว่างก็จะไปเยี่ยมเยียนมีข้าวมีของมีอะไรเราก็เอาไปฝากท่านถ้าท่านขาดแคลนอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือท่านดูแลท่านนี่คือความกตัญญูกะตะเวทีเป็นคุณ ธ, ธรรมเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของมนุษย์ เพราะการจะเป็นมนุษย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์ต้องมีความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูก็คือความรู้คุณของผู้มีพระคุณกตเวทีคือการทดแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณกับเรามนุษย์นี้จึงถือว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าเดชะฉาน พ่อเดรัจฉานนี้เขาไม่มีความสามารถที่จะรู้ว่าพ่อแม่เป็นใครมีบุญมีคุณกับเขาอย่างไรสัตว์เดรัจฉานจึงมักจะล่วงเกินพ่อแม่ได้เพราไม่รู้ว่าเป็นใครเวลามีความโกรธรเวลามีความต้องการเวลาลุ้ต่ออำนาจของโลภะโทสะโมหะ ก็อาจจะทำร้ายพ่อแม่ได้เพราะสัตว์ในราฉานเขาไม่มีสติปัญญาเหมือนกับมนุษย์มนุษย์นี่มีสติปัญญาที่สามารถรู้ได้ว่าใครมีพ่อคุณกับตนเช่นพ่อแม่เป็นใครแม่ว่าแม่เป็นผู้ให้กำเนิดพ่อแม่เป็นผู้ให้การเลี้ยงดู จนเติบโตขึ้นมาจนสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ถ้ารู้บุญคุณก็จะไม่กล้าร่วงเกินถึงแม้จะรู้ต่ อ, อโทสะโมหะหรือโลภะคือเวลาเกิดความโลภความอยากเกิดความโกรธก็จะไม่กล้าทำร้ายพ่อแม่เพราะ มีความสำนึกในพระคุณของพ่อของแม่นั่นเองแต่ถ้าเราไม่หมั่นดำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่อยู่เรื่อยวแจะยุ่งกับการทำมาหากินหาเงินหาทอง เ, อเลี้ยงครอบครัวของตนเองก็อาจจะลืมพ่อแม่ได้อาจจะทอดทิ้งพ่อแม่ได้เวลาที่พ่อแม่ตกทุกข์ได้ยาก แก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยยังมีคำพูดว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกสิบคนได้แต่ลูกสิบคนเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นี่เพราะว่าขาดความกระตันอยู่ขาดความสำนึกไม่ลํำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่เลยลืมความสำคัญของพ่อแม่ไปเวลาพ่อแม่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ก็เก่งกันคนนี้ก็ไม่ว่างคนนั้นก็ไม่ว่างคนนี้ก็ไม่มีฐานะมีกําลังที่จะเลี้ยงดูได้เก่งกันแต่เวลาแย่งมรดกกันนี่จะกัดกันจะฆ่ากันตายมี ค, มครอบครัวหน่อยที่บ้านอาเภอที่ไปใส่บาทแม่ตายไปนี่ลูกสี่ห้าคนนี้ฟ้องศาลกันแย่งสมบัติกัน แต่ถ้าจะเอาเรื่องสมบัตินี้โอ้โหแย่งกันแทบเป็นแทบตายแต่เลี้ยงเลี้ยงดูพ่อแม่นี่กับเกี่ยงกันนี่เพราะลืมบุญคุณไม่มีความกตัญญูไม่คิดถึงบุญคุณว่ามรดกที่พ่อแม่ให้เรามาคือร่างกายนี้มันมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติเงินทอง ม, มรดก ข, ของพ่อแม่ที่ทิ้งไว้ให้กับเร า, เาถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะไปหาเงินทองต่างๆได้อย่างไร เ, เราต้องมีร่างกายเพะฉะนั้นการที่เรามีร่างกายได้รับร่างกายจากพ่อแม่นี่ถือว่าเราได้รับมรดกอันล้ำค่าแล้วส่วนทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่เหลือไว้ทิ้งไว้นี้จะได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันไม่สาคัญ ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราหาได้ถ้าต้องการอะไรมีร่างกายนี่เราหากินหาอะไรมาได้ไม่ต้องมารอทรัพย์มรดก ข, ของพ่อของแม่ไม่ต้องมามีเรื่องมีราวกับพี่น้องกันคานกันออกมาจากท้องพ่อแม่คนเดียวกันแต่กลับมาเป็นศัตรูกันเพราะความโลภ อยากได้ในสมบัติของพ่อแม่ที่ทิ้งไว้อันนี้คือลักษณะของผู้ที่ไม่มีความกะตันอยู่ไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่ว่าพ่อแม่ให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็คือให้ชีวิตกับพวกเรานั่นเองถ้าเรามีชีวิตแล้ว ของนอกกายนี้เราเราต้องการอะไรเราสามารถหากันได้เองไม่ต้องมารอรับมรดกของพ่อของแม่ถ้าพ่อแม่จะทิ้งไว้ให้ก็ถือว่าเป็นพ่อคุณของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ทิ้งให้หรือไม่มีจะให้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใดเพราะว่าพ่อแม่ให้เรามามากพอแล้ว คือให้ชีวิตให้ร่างกายที่พวกเรานี้เอาไปหาอะไรต่างๆกันได้ถ้าพ่อแม่ไม่ให้ร่างกายเราหรือว่าพอคลอดออกมาแล้วก็จับยัดน้ำไปแล้วเราจะมีเราจะอยู่อย่างนี้ได้หรือเปล่าพ่อแม่ต้องลำบากยากเย็นขนาดไหนที่จะเลี้ยงดูเราแม่ต้องอุ้มท้องเราถึงเก้าเดือน เคยสวยเคยงามกลายเป็นคนไม่สวยไม่งามไปจะไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องอยู่บ้านคอยดูแลลูกที่มีอยู่ในท้องแล้วพอคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยนดูตั้งแต่วันที่คลอดออกมาจะเด็กจะเดินยังไงถ้าลูกร้องก็ต้องตื่นขึ้นมาต้องมาดูว่าเป็นอะไร เจ็บอะไรหรือเปล่าปวดอะไรหรือเปล่าหิวน้ำหิวข้าวหิวนมหรือเปล่าปวดทายหรือเปล่าเนี่ยต้องลุกขึ้นมาบางทีนอนได้แค่สองสามชั่วโมงก็ร้องอีกแล้วเนั้ยเราต้องลําลึกถึงภาพเหล่านี้เราถึงจะรู้ว่าพ่อแม่นี้บีบุญคุณกับพวกเรามากน้อยเพียงไร แล้วเปรียบเทียบกับพ่อแม่ที่ไม่มีความเมตตาที่พอคลอดลูกออกมาก็เอาไปทิ้งขังขยะบ้างเอาไปทิ้งตามห้องน้ำบ้างเอาไปทิ้งตามที่ต่างๆบ้างหรือโหดร้ายกว่า น, นั้นก็ยังไม่ทันคลอดออกมาก็รีดออกมาเสียก่อนนี่คิดถึงภาพเหล่านี้แล้วเราถึงจะได้เห็นพกคุนของพ่อแม่ ที่มีต่อเราท่านพยายามอดทนอดอยากขาดแคลนอย่างไรก็ลูกต้องมีกินก่อนพ่อแม่ยอมอดเพื่อลูกนี่คือสิ่งที่ถ้าเราไม่คิดกันเราจะไม่เห็นบุญคุณของพ่อของแม่เราจะทำให้เราไม่ให้ความสำคัญกับพ่อกับแม่แต่แเราละลึกถึง สิ่งที่ท่านทำให้เรากับเรามันจะทำให้เราเห็นว่าท่านนี้มีพระคุณกับเราเป็นอย่างมากและเราจะอยากทดแทนบุญคุณท่านในทุกรูปแบบเท่าที่เราจะทำได้ถ้าเรายังไม่มีความสามารถที่จะทำให้ท่านเป็นพระโสดาบันได้อย่างน้อยเราก็ทำให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายให้ได้ ถ้าเรากินอยู่อย่างไรอย่างน้อยท่านก็ต้องกินอยู่อย่างเราได้ไม่ใช่เราอยู่สุขสบายแต่ปล่อยให้พ่อแม่อดยาขาดแคลนอย่างนี้ก็ถือว่าขาดคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์ที่ดีคนเรานี้ไม่ต้องวัดกันที่ไหนให้วัดที่ความกะตันอยู่กตเวที่ ว่าคนนี้เป็นคนมีความกตัญญูหรือไม่ถ้าขนาดพ่อแม่เขายังไม่มีความกตัญญูแล้วกับเราเขาจะมีความกตัญญูหรือไม่เราทําอะไรให้เขามากน้อยเพียงไหนมันก็เพียงเสี้ยวหนึ่งที่พ่อแม่ของเขาทำให้กับเขาแล้วถ้าเขาไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่เขา แล้วเขาจะมีความกตัญญูกับเราหรื อ, อให้มองอย่างนี้แล้วจะทําให้เรารู้จักเลือกคบคนะรู้จักว่าคนไหนเป็นคนดีอคนไหนเป็นคนไม่ดีถ้าอยากจะดูตัวอย่างของคนดีไม่ต้องดูไกลดูพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นตัวอย่างะพระพุทธเจ้านี่เสียแม่ไปเจ็ดวันหลังจากที่คลอดออกมาแม่จากไป แต่สามสิบห้าปีต่อมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงนึกถึงก็คือพระคุณของแม่พระพุทธเจ้าหลังจากตัดสรตวแล้วก็ได้อภิญญาได้พลังจิตที่สามารถส่งกระแสจิตไปค้นหาแม่ที่ตายไปได้ วาตอนนี้เป็นดวงวิญญาณอยู่ที่ไหนจนในที่สุดก็สามารถติดต่อกับแม่ได้อยู่บนสวรรค์แล้วก็โปรดแสดงธรรมให้กับแม่ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันจนแม่ได้บรรลุเป็นพระสาวดานขึ้นมาไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปพระสาวดานนี้ปิดประตูอบายได้ ถึงแม้ว่าในอดีตจะเคยทำบาป ก, กรรมหนักหนาสาหัสอย่างไรก็ตามพอได้บรรลุเป็นพ้าโสดาบันแล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปแต่จะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดาอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก น, นี่คือคุณสมบัติของพ้าโสดาบัน คำว่าโสดาบันนี้แปลว่ากระแสผู้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานโสดานี้เป็นคำมาจากคำบาลีว่าโสตะโสดะนี้แปลว่ากระแสโสดาบันก็คือผู้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานความหมายก็คือพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องมีครูอาจารย์สอนอีกต่อไปรู้ทางไปสู่พระนิพพาน ได้ลงเข้าสู่กระแสที่จะพาไปสู่พระนิพพานจะไม่มีทางออกนอกทางนี้ไปคื อ, อถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้แสดงธรรมต่อหลังจากที่พุทธมานดาได้เป็นพระโสดาบันแล้วแต่พุทธมานดานี้จะสามารถเดินไปได้เองรู้ทางที่จะพาไปสู่พระนิพพาน ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะได้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้หลุดออกจากสังสารวัตรที่พบที่พวกเรากำลังติดอยู่ในขณะนี้พวกเราไม่รู้หรอกว่าเรายังเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เพราะพวกเรามองไม่เห็นตัวเราทำให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกาย เราคิดว่าร่างกายตายไปแล้วแล้วใครจะเป็นเวรไหว้าตายเกิดกันต่อแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนเท่านั้นเองเราเป็นดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเรามาเกาะติดร่างกายตอนที่พ่อแม่สร้างร่างกายขึ้นมาในท้องแม่ พอร่างกายเริ่มเกาะร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องแม่ก็มีดวงวิญญาณของเรานี้มาเกาะที่ร่างกายนี้พอมีการเกาะติดกันก็มีการตั้งขันขึ้นมามีการตั้งท้องขึ้นมาแล้วเก้าเดือนร่างกายก็ออกมาจากท้องแม่เราก็มาติดมากับร่างกายเมื่อเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกาย แล้วไม่มีใครบอกเราเราก็เลยไปเหมากันว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเรากันแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่จากร่างกายอันเก่ามาล้วก็มารอหาร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายอันใหม่เราก็เลยไปเกาะติดแล้วพอคลอดออกมาจากท้องแม่ พอเริมตาขึ้นมาก็เห็นร่างกายอันนี้ก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราอันนี้คือความหลงของพวกเราความไม่รู้ความจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณที่ลอยไปลอยมาตามอำนาจของบุญของบาปที่เราได้ทำกันไว้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไป ดวงวิญญาณของเราก็จะรับผลบุญผลบาปถ้าเป็นผลบุญก็เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเป็นผลบาปก็เป็นอบายชั้นต่างๆอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดรู้มาสอนมาบอกพวกเราพวกเราก็จะไม่รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นได้อย่างไรใครไปเวียนว่ายตายเกิด ก็เราเห็นร่างกายที่เรามีอยู่นี้หรือร่างกายของคนอื่นที่เหมือนกับร่างกายของเรานี้เวลาร่างกายเขาตายไปก็เอาไปฝังหรือเอาไปเผาเมื่อฝังอยู่ในดินแล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรจะไปนรกได้อย่างไรเือเอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานแล้วจะไปนรกไปสวรรค์ได้อย่างไร เพราะว่าผู้ไปไม่ใช่ร่างกายนั้นเองผู้ไปคือดวงวิญญาณที่แยกออกจากร่างกายตอนที่ร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเป็นเทวดาถ้าบุญทำบุญไวมากก็ไปเป็นเทวดาถ้าทำบาปไว้มากก็ไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปนรกหรือถ้าไปเกิดก็ไปเกิดได้ร่างกาย ของเดลฉ า, านอั น, นี่คือสิ่งที่พระโสดาบันจะเห็นหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าอะไรทำให้ไปเกิดในอบายก็จะละ ง, งับการกระทำบาปทั้งปวงเมื่อละ ง, งับการกระทำบาปก็จะไม่มีบาปที่จะผลักดัน ให้ไปสุใบอีกต่อไปจะทำแต่บุญอย่างเดียวจะเพิ่มบุญให้มากขึ้นจากการทำบุญทําทานรักษาศีลห้าก็จะเพิ่มเป็นรักษาศีลแปดแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบแล้วก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะ ทรงจิตใจให้ไปสู่พันิพานต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธมารดาแล้วก็เวลาที่พุทธบิดาใกล้จะเสด็จสอนอนคตก็ไปทรงโปรดแบบเดียวกันไปทรงสอนให้รู้ว่ า, าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเร า, เาดวงวิญญาณนี้เป็นผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิด ถ้าต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มายึดไม่ให้ถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราพอสอนเสร็จพระพุทธบิดาก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปอยู่ที่พระนิพพานเนี่ย นี่คือความกตัญญูกตเวทีของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ตามแต่ก็ไม่ลืมบุญคุณของพ่อของแม่เมื่อมีโอกาสที่จะทดแทนบุญคุณได้ก็รีบทำทันทีก่อนหน้านั้นยังไม่ได้ตัดสรู้ยังไม่มีความสามารถที่จะทดแทนบุญคุณให้กับพ่อกับแม่ได้ แต่พอตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีความรู้มีความสามารถที่จะสอนผู้อื่นให้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้ให้พ้นจากกบายได้ให้เป็นพระอรหันต์ให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ทำหน้าที่นี้ให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่มีศรัทธา ก็มีผู้ได้รับคุณประโยชน์จากพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากเป็นหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านทีเดียวเพราะ 2,500 กว่าปีแล้วที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้สัตว์โลกได้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีการดุดพ้นมาเป็นกันอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยจนถึงสมัยปัจจุบัน สมัยของพวกเรานี้ก็มีผู้สามารถรับประโยชน์จากคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้มีผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันได้ตามที่เราได้ยินได้ฟังเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่างๆหนึ่งที่เวลาท่านตายไปกระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาอันนี้เป็นการยืนยันว่า จงท่านแน่นได้บริสุทธิ์ผุดพองได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ไปอยู่ที่พระนิพพานที่มีแต่บรลลมมสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ให้มอบไว้ให้กับโลก เป็นมรดกอันล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้กเราเป็นชาวพุทธก็ถือว่าเป็นเหมือนลูกของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ต้องมีความกตัญญูกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับเรามีความกตัญญูต่อพ่อแม่ เราก็ต้องทดแทนบุญคุณของพวกเราบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าบูชาพระคุณของพ่อของแม่การบูชาคุณ น, นี้มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึ่งเรียกว่าอามิสบูชารูปแบบที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาก็บูชาด้วยเครื่องสักการะ เช่นดอกไม้ทูบเทียนอย่างนี้เรียกว่าบูชาด้วยอามิสบูชาเช่นเราไปกราบพ่อกับแม่เราก็อาจจะมีพานมีทูบมีเทียนไปเพื่อไปแสดงความเคารพความรักความเคารพความสำนึกในบุญคุณอันนี้ก็เป็นการบูชาแบบหนึ่งแต่เป็นการบูชาที่ไม่มีผลมากนะัก เพราะว่าไม่ได้ทําอะไรมากเพียงแต่ไปกราบไปเอาดอกไม้ทูบเทียนไปให้เท่านั้นเองยังไม่เกิดประโยชน์มากต้องถ้าอยากจะทําให้เกิดประโยชน์มากต้องทําด้วยการปฏิบัติบูบชาอันนี้เป็นบูชาที่สองคือปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําตัวเราให้เป็นคนดี ทำแต่สิ่งที่ดีทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชนให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาบุคคลแรกที่เราควรจะทำบุญด้วยก็คือพ่อแม่ของเรานี่แหละก่อนที่จะไปทำบุญกับพระนอกวัดท่านสอนให้เราทำบุญกับพระในบ้านก่อนเรามีพระอาหารหันต์สองรูปอยู่ในบ้านเรา อย่าลืมพระอรหันในบ้านเราคือพ่อแม่พระพุทธเจ้าบอกว่าการทำบุญกับพ่อแม่นี้เท่ากับเป็นการทำบุญกับพระอรหันเพราะพ่อแม่นี้เป็นเหมือนพระอรหันของลูกๆเป็นผู้อุปมีอุปราคคุณอย่างยิ่งใหญ่ต่อลูกๆทั้งหลายเหมือนกับพระอรหันที่มีอุประอุปการละคุณต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย แต่การอุปการะนี้ต่างกันพ่อแม่ของเรานี้อุปการะเราด้วยร่างกายของเราให้ร่างกายของพวกเราเลี้ยงดูร่างกายของพวกเราให้เจริญเติบโตให้มีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ส่วนพระอรหรนันต์นี้ท่านมีอุปการะคุณทางจิตใจท่านเป็นผู้ให้พระนิพพานกับจิตใจของพวกเราสอนให้พวกเราปฏิบัติ ให้ถึงพนันธิพานให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระอรหันต์ปรากฏในโลกนี้จะไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะไปพนันธิพาลได้พระอรหันต์องค์แรกก็คือพระพุทธเจ้านี้เองที่เราเรียกว่าพระอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนองค์ต่อๆมานี้เราจะเรียกท่านว่าพระอาหารหันตสาวกต่างกันตรงที่พระพุทธเจ้าเป็นอาหารหันด้วยตนเองไม่มีใครสั่งใครสอนส่วนพระอาหารหันตสาวกนี้เป็นพระอาหารหันได้ด้วยการเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าจึงมีชื่อต่างกันพระอาหารหันตสามมาสัมพุทธเจ้าคือพระอาหารหันองค์แรกของโลก เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้ด้วยตนเองส่วนพระอาหารหันตสาวกนี้เป็นพระอาหารหันตเพราะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าน้อมเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตขึ้นมาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงพระนิพพานที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือพระคุณของพระอาหารหันต์ในบ้านกับพระคุณของพระอาหารหันต์นอกบ้านมีบุญคุณถือว่าเท่าเทียมกันเพราะก่อนที่เราจะไปพบกับพระอาหารหันต์นอกบ้านได้เราต้องเกิดมาละเราต้องเกิดมาก่อนถ้าเราไม่มีที่เกิดไม่มีพ่อแม่ให้กําเนิดเราก็จะไม่มีวันที่จะไปพบกับพระอาหารหันต์ที่อยู่ตามวัดตามวาได้ เราต้องมีร่างกายของเราก่อนเราต้องเกิดมาก่อนต้องมีพ่อแม่ให้กำเนิดเราของก่อนเราถึงจะสามารถที่จะไปหาพระอาหารหันต์นอกบ้านได้เพื่อที่เราจะได้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อพาให้เราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง บุญคุณของพระบิดาของพ่อแม่กับบุญคุณของของพาอาาระอรหันต์นี้จึงถือว่าเท่ากันหากพ่อแม่เราก็ไม่มีวันที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เมื่อเราไม่มีเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปพบกับพาาาระอรหันต์ที่มาปรากฏอยู่ในโลกนี้ได้เนีย่ยดังนั้นเราต้องมีร่างกายนี้ก่อนมีพ่อแม่ให้ร่างกายของเราก่อน แล้วพอเรามีร่างกายแล้วเราถึงไปหาพระอาหารหันต์ที่อยู่ตามวัดต่างๆได้นี่คือถ้าการเปรียบเทียบระหว่างบุญคุณของพ่อของแม่กับของพระอาหารหันต์ท่านจึงเปรียบเทียบว่าพ่อแม่นี้เป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆมีบุญคุณเท่ากับพระอาหารหันต์ทำบุญกับพ่อแม่ก็เือว่าได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์ ได้บุญยิ่งใหญ่ได้ความสุขมหาศาลเวลาเราทำบุญกับพ่อแม่นี้เราจะมีความรู้สึกมีความสุขเห็นพ่อแม่มีความสุขจากการทำความดีของเราเราก็จะมีความปพิ่มปิติมีความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับเวลาที่เราไปทำบุญกับพระอรหันต์เราทำบุญกับพระอรหันต์เราก็มีความรู้สึกมีความสุขมีความอิ่มใจ มีความปื้อปิตินะนี่คือบุญคุณของพ่อแม่กับพระอราหันต์เหมือนกันและโทษที่เราทํากับพ่อแม่กับพระอราหันต์ก็เหมือนกันฮะถ้าเราทําโทษร้ายแรงถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เท่ากับเราฆ่าพระอราหันต์โทษเท่ากันถือว่าเป็นเป็นบาปที่หนักที่สุด บาปที่หนักที่สุดที่มนุษย์เราสามารถที่จะทํากันได้นี้เรียกว่าอนันตริยกรรมมีอยู่ห้าข้อเด้วยกันข้อที่หนึ่งคือฆ่าพ่อข้อที่สองฆ่าแม่ข้อที่สามฆ่าพระอรหันต์มีโทษเท่ากันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์นี้มีโทษเท่ากันไปติดไปตกนรกในขุมที่ลึกที่สุดนานที่สุดน อีกสามอีกสองข้อเกิดทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดไม่ต้องถึงกับฆ่าพระพุทธเจ้าเพียงแต่ปองร้ายแล้วทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดก็คือพระเทวทัต น, นี่แหละผู้ที่ปองร้ายพยายามปองพะจนพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันแต่พระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านี้ไม่ทำให้ไม่สามารถทำร้ายชีวิตของพระพุทธเจ้าได้ ทำได้เพียงแต่ทำให้พระบาทห่อเลือดเพราะกิ่งก้อนหินลงมาจากภูเขาหวังที่จะให้ก้อนหินทับพระพุทธเจ้าตายแต่ก็ไม่สามารถทาได้ทำได้เพียงแต่มีสะเก็ดหินไปถูกพระบาทของพระพุทธเจ้าทาให้ห่อเลือดเท่านั้นนี่คือโทษที่หนักที่สุดข้อที่สี่คือการทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือด แล้วข้อที่ห้าคือยุยงให้สงแตกแยกกันอันนี้ก็เป็นผลงานของพระเทวทัตเช่นเดียวกันพระเทวทัตหลังจากที่โกรธแค้นโกรธเคืองพระพุทธเจ้าที่ไม่ส่งอนุ ญ, ญาตให้ตนเองเป็นผู้ปกครองสงก็เลยมีความอาฆาตพยาบาทพยายามยุยงสงให้เสื่อมศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าส่งชี้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ ตนดีกว่าพระพุทธเจ้าเช่นตนไม่กินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้า้ากินเนื้อสัตว์ตนไม่รับกิจนิมนต์พระพุทธเจ้ารับกิจนิมนต์นแสดงว่าพระพุทธเจ้ายังมีความโลภอยู่ตนไม่มีความโลภไม่รับกิจนิมนต์ตนมีความเมตตาไม่กินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าไม่มีความเมตตายัางกินเนื้อสัตว์อยู่พระที่ไม่รู้เรื่องก็เลยเกิดความหลงไปตาม เชื่อพระเทวทัตไปถือพระเทวทัตเป็นสาวกแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายไปนี่คือโทษอันหนักที่มีอยู่ห้าเข้าด้วยกันพระเทวทัตเนี่ยเวลาตายไปเนี่ยจะต้องไปติดจะไปตกนรกที่ขมที่ลึกที่สุดแต่เนื่องจากว่า มีความดีอยู่ส่วนหนึ่งคือก่อนจะตายนี่ก่อนจะถูกแผ่นดินสูบนี่ขอถวายกรามให้กับพระพุทธเจ้าเป็นการกอโหสิกรรมพระพุทธเจ้าเลยพูดว่าความสำนึกผิดของพระเทวทัตนี้จะช่วยให้พระเทวทัตหลังจากที่ไปใช้กรรมในนรกขุมที่เลึกที่สุดแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็จะได้ไปตัดสัตุเป็นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าต่อไปนี่เรื่องของผู้มีพระคุณพ่อแม่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พวกเราอย่าไปร่วงเกินเป็นอันถาดถึงแม้เราจะโกรธจะเกลียดใครก็าตามอาฆาตพยาบาทอย่างไรก็ให้เรารู้ว่าการกระทำบาปห้าชนิดนี้ เป็นการส่งเราไปนรกขุมที่เลือกที่สุดไปทุกข์ทรมานมากที่สุดเป็นเวลายาวนานที่สุดถ้าไม่อยากจะไปตกนรกในขุมนี้แล้วก็พยายามหักข้ามจิตใจเวลาเกิดมีโทสะโมหะหรือโลภะขึ้นมาอยากไปโกรธพ่อโกรธแม่ถึงกับฆ่าพ่อแม่ตาย บางทีแย่งสมบัติกันพ่อแม่ให้สมบัติกับน้องมากกับพี่พี่ก็โกรธนะอย่างนี้ก็อาจจะพยายามฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีอันนี้ลุ้รู้ด้วยโลภารูด้ ด, ด้วยความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติรู้ ด, ด้วยโทสะโกรธแค้นโกรธเคืองเอที่พ่อแม่ไม่ให้ทรัพย์สมบัติเท่ากับน้องอันนี้ เกิดขึ้นได้ในสังคมของพวกเรามีข่าวอยู่เรื่อยลูกถึงกับพยายามฆ่าพ่อก็มีแย่งสมบัติพ่อปลอมลายเซ็นมีคดีปลอมลายเซ็นโอนเงินกุินทรัพย์สมบัติของพ่อแม่มาเป็นของตนเองนี่แหละคือขาดความกระตันยูกตะเวทีไม่มีใครสั่งใครสอน พ่อแม่ก็ไม่กล้าสั่งสอนเพราะเดี๋ยวจะเหมือนว่าทวงบุญคุณแล้วก็ไม่มีที่ส่งไปสอนสมัยก่อนส่งไปวัดกันไปบวชเนนไปบวชพระกันถ้าไปบวชเนนบวชพระไปอยู่วัดไปเข้าวัดนี่จะถูกสอนทันทีเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีเรื่องบุญคุณอันประเสริฐของพ่อแม่ของพระอรหันต์ของพระ พ, พุทธเจ้า ของพระพุทธศาสนาที่เราไม่ควรที่จะร่วงเกินเป็นอันขาดโดยเด็ดขาดไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามเราไม่ควรไปร่วงเกินเพราะจะมีโทษอันใหญ่โตมาให้กับเรานั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้นี่ เวลาที่เราลูกแก่โลภโทสะหรือโมหะนี่เราจะทำอะไรที่เราไม่คาดฝันมาก่อนเราจะทำแล้วเราต้องมาร้องหม่มร้องไห้ในภายหลังเห็นไหมนิทานที่ลูกไปข้าแม่เพราะว่าเอาข้าวไปส่งให้แม่ช้าไปหน่อยแม่แม่เอาข้าวไปส่งให้ลูกช้าไปหน่อยลูกหิวข้าวตาลายเห็นกล่องข้าวเป็นกล่องข้าวนิดเดียว โมโหเอามาให้นิดเดียวทำงานแทบเป็นแทบตายถึงกับค่าแม่เลยเนีเพราะความโมโหแต่พอมานั่งกินข้าวกินไม่หมดเพราะเวลามันโลภมันเห็นอะไรมันน้อยไปหมดแต่พอจริงๆพอกินเข้าไปกินไม่หมดเนี่ยแล้วก็ต้องมารัาง่งร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะไม่มีความกตัญญูกตเวทีขาดความ าการแลลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่นี่ถึงว่าทำไมเราจึงต้องกราบพระกราบพ่อกราบแม่ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเพื่อให้เราไม่ลืมบุญคุณอันประเสริฐของพระของพ่อและของแม่นั่นเองควรจะทาเวลากราบไม่ก็ไม่ใช่กราบเฉยๆกราบแล้วก็แล้วกันไปกราบแล้วต้องนึกลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ของพระ แล้วจะทำให้เรานี้มีจิตสำนึกที่ดีจะทำให้เราอยากจะไปกราบพ่อกับแม่อยากจะไปปฏบิบัติบูชากับพ่อกับแม่ไปทำสิ่งที่ดีให้พ่อกับแม่เช่นทาบุญทาทานทำตัวเองให้เป็นคนดีการทำตัวเองให้เป็นคนดีนี่ก็เป็นการตดทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่เหมือนกันเพราะพ่อแม่นี้ ไม่อยากให้เราไปติดคุกไม่อยากให้เราไปเป็นคนไม่ดีถ้าเราทำตัวเราเป็นคนดีรักษาศีลแล้วเว้นอบายามุขพ่อแม่ก็จะนอนตาหลับไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลถึงลูกว่าตอนนี้ลูกไปอยู่ที่ไหนไปติดคุกติดตารางหรือยังถ้ารักษาศีลห้าได้นะถ้าไม่เสกอบายามุขเนี่ย ลูกก็จะไม่มีวันที่จะไปติดคุกติดตารางได้ น, นี่คือเราต้องทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติบูชาทำบุญทำทานกับพ่อกับแม่มีเงินมีทองต้องคิดถึงพ่อแม่ก่อนอย่าไปคิดถึงใครก่อน พระบวชใหม่นี้เขามีธรรมเนียมเวลาบิณฑบาตวันแรกนี้ได้อาหารมานี้ต้องเอาไปให้อุปชาก่อนเอาไปถวายให้อุปชาก่อนเพราะอุปชาเป็นเหมือนพ่อของพระเป็นผู้บวชให้กับพระถ้ามีม่ถ้าไม่มีพระอุปชานี้ก็เป็นพระขึ้นมาไม่ได้เวลาญาติโยมไปงานบวชจะเห็นว่ามีพระรูปหนึ่งเป็นประธานองค์นั้ น, น, นละ่ะเรียกว่าเป็นพระอุปชา เป็นผู้ที่จะรับพระบวชใหม่ให้เข้ามาเป็นพระถ้าไม่มีพระอุปชาก็เหมือนกับไม่มีพ่อแม่ก็จะบวชเป็นพระขึ้นมาไม่ได้จึงมีธรรมเนียมปฏิบัติตามวัดต่างๆวันแรกเวลาบวชเสร็จแล้วออกบิณฑบาตจะเอาอาหารที่ได้จากบิณฑบาตไปถวายพระอุปชาก่อนให้พระอุปชาท่านเลือกอาหารที่ได้มาในบาต การกันเลือกชิ้นสองชิ้นพอเป็นธรรมเนียมอันนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะอนี่สิ่งที่เราต้องพยายามทำกันให้ได้คืออมิสบูชาถ้ามีเครื่องสักการะก็เอาไปกราบไหว้แล้วก็ปฏิบัติบูบชาปฏิบัติตัวเราให้เป็นคนดีเบื้องต้นก็ เป็นคนดีด้วยการดูแลพ่อแม่ทําบุญทําทานกับพ่อแม่ก่อนแล้วก็มาทําตัวเองให้เป็นคนดีมีศีลมีสัตว์รักษาศีลห้าละเว้นอบายามุขต่างๆไม่เดิมสุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเอไม่เกลียดคร้านไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรน เพราะคนที่ชอบสุราถ้าไปคบกับเขาเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราครบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคบกับคนชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราเที่ยวชอบกับ ค, คบกับคนเกียรติค้างเขาก็จะชวนให้เราเกียรติค้ <c oughs> มีแต่มีแต่เสียหายเพราะอาบายามุขไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย ถ้ามัวเสพปบายามุกต่อไปก็เงินทองก็จะไม่พอใช้พอเงินทองไม่พอใช้ก็จะต้องไปทำบาปไปหาเงินทองโดยวิธีทำบาปไปลักขโมยไปช่อโกงไปหลอกลวงแล้วถ้าไม่ดีอาจจะมีการฆ่าฟันกันไปป้นไปจี้ร้านทองเกิดเจ้าของร้านทองเ้าต่อสู้ก็อาจจะต้องฆ่า เพื่อที่จะได้เอาทองที่ต้องการไปอันนี้อันตรายอบายมุกนี่ถือว่าอันตรา ย, อรายขอให้เราคิดว่าอบายมุกเป็นเหมือนลูกระเบิดอย่าไปอยู่ใกล้ลูกระเบิดเพราะเดี๋ยวมันจะระเบิดใส่เรานั่นเองถ้าเราไม่ไปอยู่ใกล้ลูกระเบิดก็จะไม่มีระเบิดระเบิดใส่เราถ้าเราไปยุ่งกับอบายมุกเดี๋ยวมันก็จะดูดให้เราไปทําบาปกัน พอทำบาปเราก็จ ะ, ะติดคุกติดตารางในขณะที่มีชีวิตอยู่ตายไปก็ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายอีกไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกต่อเห็นนการไม่มีศีลการเจ็บอบายามุขนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจของพวกเราที่พวกเราต้องพยายาม ลีกเลี่ยงให้ได้อย่าทำบาปโดยเด็ดขาดอย่าไปเสพประมายามุกโดยเด็ดขาดแล้วภัยที่จะเกิดกับจิตใจของพวกเราก็จะไม่มีนี่คือการปฏบิบัติบูชาในระดับที่สองในระดับที่สามก็มาพัฒนาจิตใจของเรายกระดับจิตใจของเราให้สูงจากปุถุชนให้ขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลให้เป็นพระโสดาบัน ให้เป็นพระสะกิดาคามีให้เป็นพระอน า, าคามีให้เป็นพระอาหารหันต์กันเพราะว่าการเป็นพระอระยะบุคคล น, นี้จะทําให้เราตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปตามลําดับนีถ้าเป็นพระโสดาบันก็ภพชาติก็จะเหลือไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเป็นพระสะกิดาคามีก็จะเหลือเพียงชาติเดียว ในการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแล้วถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาแต่จะไปเกิดเป็นพรหมก่อนแล้วถ้าได้ขั้นที่สีได้ขั้นพระอาหารหันต์ก็ไม่เกิดเป็นพรหมจะไปเกิดเป็นพร ะ, พร ะ, พระอาหารหันต์ไปอยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนอย่างที่เรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้และจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติยกจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยเจ้าได้เราก็จะติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเหมือนที่เราเคยติดมาอยู่เป็นเวลาอันยาวนานเราเวียนว่ายตายเกิดมา เกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วพระพุทธเจ้าบอกน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดนี่ถ้าเอามารวมกันแล้วนี่มันมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนนั่นแหละคือจํานวนการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเรารอบนี้เป็นรอบที่ไม่รอบที่แสนล้านเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แล้วยังไม่เป็นรอบสุดท้ายถ้าเรายังไม่ได้ เข้าหาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังถ้าเราไม่มาศึกษาไม่มาปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนถึงแม้จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนามากนักอาจจะได้เพียงในระดับแค่ทําบุญทําทานระดับรักษาศีลไม่เสพประบายยาหมุกแต่นี่ไม่พอเพราะว่ายัางทําให้เราต้องติดอยู่ในภพชาติต่างๆอยู่ ถึงแม้ว่าจะเป็นภพชาติที่ดีถ้าเราทําบุญทําทานเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายได้แต่เรายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นเทวดาเวลาเป็นมนุษย์ก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพลาดพลาดจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักถ้าเราอยากที่จะไม่กลับมาเกิดมาทุกข์กับ การเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องผลักดันตัวเราเองให้ปฏิบัติทำที่สูงขึ้นทำที่จะให้เราเป็นพระอริยะบุคคลก็คือการรักษาศีลแปดขึ้นไปต้องรักษาศีลแปดหรือรักษาศีลสิบหรือถ้าไปบวชเป็นพระก็รักษาศีลสองรอยิบเจ็ดข้อนะแล้วเราจะได้มีเวลามา ยกระดับจิตใจด้วยการภาวนาหรือด้วยการปฏิบัติธรรมการภาวนาคือการปฏิบัติธรรมธรรมที่เราต้องปฏิบัติก็มีอยู่สองข้อคือสมาธิและปัญญาเราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเพราะสมาธิและปัญญานี้เป็นเหมือนเครื่องมือที่เราจะใช้ในการยกระดับจิตใจของเราเปลี่ยนจิตใจของเรา จากปุถุชนให้เ ป, เ, ปเป็นพระอริยเจ้าเป็นอริยบุคคลเหมือนกับเวลาที่ลดเรายางแตกนี่เราต้องเปลี่ยนยางกันเราต้องเอาอยางดีมาใส่แทนยางที่แตกถ้าเราไม่มีเครื่องมือไม่มีแม่แรยงยกล้อไม่มีที่ขันน็อตถึงแม้เราจะมียางที่ดีเราก็เปลี่ยนไม่ไดเ้เพราะว่าเราไม่มีเครื่องมื อ, อ, อฉนันใด เถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของเราจากปุถุชนตอนนี้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดให้ไปเป็นพระอริยบุคคลที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็เปลี่ยนไม่ได้ยกระดับจิตใจของเราไม่ได้เราเลยต้องมาเราต้องหาเครื่องมือ เครื่องมือที่จะยกระดับจิตใจของเราจากปุถุชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคลก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองที่ตอนนี้พวกเรายังไม่มีกันมีไหมศีลแปดพวกเราถือศีลแปดกันได้หรือยังอพวกเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบให้มีความสุขจากการานั่งสมาธิได้หรือยังพวกเรามีปัญญาที่จะ ตัดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เราหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราได้หรื อ, อยังถ้าเรายังไม่มีเราก็ยังจะไม่สามารถยกระดับจิตใจของเราจากกุตุชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคลได้แต่ถ้าเรามีเครื่องมือเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนได้ยกระดับจิตของเราได้เหมือนกับถ้าเรามีเครื่องมือเปลี่ยนอย่างถ้าเรามีแม่แรงมีที่ขันนตเนี่ย เราก็สามารถเปลี่ยนยางได้เบื้องต้นก็ขันน็อตออกก่อนแล้วก็ยกล้อขึ้นด้วยแม่แรงให้มันลอยขึ้นแล้วก็ถอดยางออกเปลี่ยนเอายางใหม่ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ขันน็อตให้มันแน่นแล้วก็เอาแม่แรงลดแม่แรงลงมาอันนี้ทําได้อย่างง่ายดายถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเรามีแต่มือเปล่าๆนี้อย่าไปหวังเลย ต่อให้เป็นซูเปอร์แมนก็ยกไม่ขึ้นต่อให้เป็นเป็นผู้ได้รางวัลชายเพระงามรา ง, งวัลอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่มีกำลังที่จะสามารถยกรถขึ้นมาเปลี่ยนยางได้ด้วยตัเองพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของพวกเราใ ห, ให้เป็นพระอาริยบุคคลเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด อย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมา mm. การจะสร้างเครื่องมือได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเท่นั่นเองถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี่จะไม่รู้วิธีสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมาและไม่รู้ว่าจะสร้างไปทำไมเสียได้ซ้ำไป ไปบวชทำไมไปรักษาศีลแปดทำไมไปนั่งสมาธินั่งหลับตาทำไมไ ป, ไปศึกษาปัญญาทำไมทำไมต้องรู้ว่าไอ้นั่นเป็นอนิจจังอ้นั่นเป็นทุกขังนอ้นั่นเป็นอนัตตารู้ไปทำไมอันนี้จะไม่เข้าใจว่าทาทำไม แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกว่าทาเพื่อยกระดับจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้น้อยลงไปให้ความสุขที่ไม่มีอยู่ในใจของเราให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตอนนี้ใจของเรามีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ส่วนใหญ่จะทุกข์มากกว่าสุขเราทุกข์แคบทั้งวันน า, นานจะสุขสักทีหนึ่ง ต่อไปถ้าเรามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้รักษาศีล8ได้รักษาศีลสิบได้รักษาศีลสองร้ได้เราก็จะมีกําลังที่จะไปนั่งสมาธิได้เพราะศีลนี้จะเป็นตัวที่จะคอยสนับสนุนให้เราไปนั่งสมาธิกัน เพราะถ้าถือศีลแล้วไปเที่ยวไม่ได้ถือศีลแปดศีล 10, สิบศีลสองรอยิบเจ็ดนี่จะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงไม่ได้จะไปกินไปดื่มตามความอยากไม่ได้จะไปหลับนอนกับแฟนไม่ได้นจะทําอะไรไม่ได้เมื่อทําอะไรไม่ได้ก็จะมีเวลาว่างมีเวลาว่างที่จะมาหัดนั่งสมาธิกันมาหัดจเจริญสติเพราะก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ก็ต้องมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งช่ สมาธินี้จะสงบจิตจะสงบเป็นสมาธิได้ก็ต้องมีสติสตินี้เป็นผู้ที่จะมาหยุดความคิดทําใจให้นิ่งเหมือนกับเบรกของรถยนต์ถ้าเราต้องการให้รถยนต์จอดนิ่งเราต้องมีเบรกถ้ารถมันวิ่งอยู่ไม่มีเบรกมันก็จะหยุดรถไม่ได้ฉันในใจของเรานี้ก็ถ้าต้องการให้มันนิ่งเป็นสมาธิเราก็ต้องมีเบรกเบรกของใจก็คือสติน ถ้าเราไม่มีสติกาลังพอเราก็ต้องสร้างตัวที่จะสร้างสติให้กับจิตใจก็คือกรรมฐานกรรมฐานนี่ก็มีอยู่สี่สิบชนิดได้กันกรรมฐานที่เราใช้กันทั่วไปที่เรารู้จักกันดีก็คือพุทโธนี่ถ้าเราเราเลิกถึงพุทโธพุทโธไปภายในใจนี้แสดงว่าเรากําลังสร้างสติให้กับใจเพราะถ้าเรามีพุทโธอยู่ในใจ เราก็หยุดความคิดต่างๆได้เราจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจพอเราท่องพุโทโธไปภายในใจความคิดที่เคยคิดมันก็จะหยุดคิดพอหยุดคิดใจก็จะเนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็คือความสงบผลที่ได้จากสมาธิก็คือความสุขความอิ่มใจความพอใจทาให้เรานี้ ปรงได้วางได้เมื่อก่อนเราปรงไม่ได้วางไม่ได้เพราะเราไม่มีความสุขเราต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราแต่พอเรามีสมาธิปั๊บเราไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราก็ได้เพราะเรามีความสุขในตัวเราพอเรามีความสุขในตัวเราแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องห้ามใจที่ยังอยากจะไปหา ค ว, ค, ความสุขจากคนน Somehow, Ό, ั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ห้ามว่าความส um ุขที่ได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นอกจากความสุขที่ได้จากเขาแล้วมันยังมีความทุกข์ตามมาด้วยเพราะว่าเขาไม่ถาวรนั่นเองบางทีเขาก็อยู่กับเราบางทีเขาก็ไม่อยู่กับเราพอเขาไม่อยู่กับเราความสุขที่ได้จากเขาก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เวลามีการสูญเสียมีการพัดพาคจากกันก็ร้องหหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจถ้าเห็นว่าการไปมีใครมาให้ความสุขกับเราในที่สุดก็จะต้องเจอความเศร้าโศกเสียใจก็จะทำให้เราไม่ไม่เอาดีกว่าไม่มีดีกว่าเราอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับสมาธิดีกว่าเนี่ก็จะทำให้เราตัดความอยากทำให้เราปลงได้ ปองวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ต้องมีอะไรเราก็มีความสุขได้พอเราปรงวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็หลุดพ้นจากการที่เราจะต้องกลับมาหาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้เรามีความสงบมีความสุขในใจเรามีความพอเราไม่ต้องมีอะไรเราก็มีความสุขอนนี้แหละคือวิธีการปฏิบัติ ที่จะยกระดับจิตของปุถุชนให้เป็นพระอริยบุคคลต้องยกระดับด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่คือวิธีปฏิบัติบูบชาที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราบูชาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเรานอกจากจะเห็นให้เรานอกจากจะเห็นพวกเรากลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา เห็นพวกเราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือจุดประสงค์ของการที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากพวกเราเพราะพระพุทธเจ้ามีอยู่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจแล้วคือความสุขของพระนิพพานจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาอะไรจากพวกเราสิ่งที่ท่านต้องการจากพวกเราก็คืออยากให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยากให้พวกเราปฏิบัติบูชากัน เพื่อที่เราจะได้ยกระดับจิตของพวกเราจากบุตุชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคลให้ได้ดุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนี่คือเรื่องของความกตัญญูกตวเวทีที่เรามาดำนึกถึงกันเรามีผู้มีพระคุณอยู่มีสองมีพ่อมีแม่แล้วก็มีพระพร ะ, ะรัตนไกรที่เราควรที่จะกราบไหว้บูชาทุกวัน ลำเลิกถึงพระคุณของท่านเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเมื่อเราไม่ลืมแล้วเราจะได้ปฏิบัติบูบชากันทําบุญทำทานกับพ่อกับแม่ทําบุญทําทานกับพระ อ, อริยสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนเพื่อทําให้เราเป็นคนดีแล้วก็ทําให้เราเป็นพระ อ, อริยบุคคลตามลําดับต่อไปแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ จากการกระทำของเราเราจะได้ดุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเรื่องของวันแม่ที่พวกเรามาลำลึกถึงพระคุณขอให้เราเอาไปพินิพจพิจารณาและปฏิบัติการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราภิริปุริเติสาคหลังเอวเมวะเหตุทินนางเปตานังอ an ุปการปฏิอิชิต um ังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชัตโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโยะธาเมณิชตดอหระโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภาวะ อภิวาทนานสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโธรมมวัทานติอายุวันโนสุขางพาลาังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะทราบขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามชมรายการมีเท่าไหร่วันนี้ค่ะเข้ามา f ฟ c e b o o สามร้อยสิบย284สองร้อยแปดสิบสี่พิทยุยี่สิบสามรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยแปดสิบเก้ารวมแปดร้อยหกท่านค่ ะ, ะใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งใหม่ไปให้ ถ้ายังไม่มีใครถามที่นี่ก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อนนะคำถามแรกจากคุณตุ่มแปดูนย์หนึ่งค่ะถ้าแม่อายุเก้าสิบกว่าชอบใช้เงินเกินที่มี ใช้ในเรื่องที่ไม่จำเป็นหลายเรื่องเช่นโดนในหน้าหลอกไปซื้อที่ดินหลายแปลงและทำจัดสรรด้วยทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีความรู้ไม่มีก็กู้มาเพิ่มโดหลอกว่าจะขายที่ได้ง่ายๆซึ่งไม่จริงทุนก็สูงตอนนี้มายืมเงินเรา เพาเสียค่าดูแลยเยอะเงินก็ไม่พอไปใช้เรื่องอื่นถ้าเราเป็นลูกไม่ให้ยืมก็จะโกรธว่าแค่นี้ก็ให้ไม่ได้ถ้าให้ก็จะไปใช้เกินตัวในหลายอเรื่องลูกๆช่วยกันคุยไม่ยอมรับโกรธลูกจะทํายังไงดีเจ้าคะ่ะก็ปล่อยให้โกรธไปสิจะทําังไงลักษาเงินไว้ดีกว่าตามใจก็เดี๋ยวก็ก็จะมาเอาอยู่เรื่อยๆ ถ้าเอาไปแบบไม่มีเหตุไม่มีผลก็ไม่ควรจะให้แต่ถ้ามีมีเหตุมีผลมีความจําเป็นต่อความดํารงชีพของแม่เราก็ต้องยินดีให้นแต่ถ้าเป็นเรื่องเสืรุย่ยเสื่อไเรื่องของอเรื่องของการทํางานทําอะไรแบบเกินเกินเลยเกินโดยเถินก็ปฏิเสธได้นะ เดี๋ยวท่านก็หายท่านโกรธเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวท่านก็หายดีกว่าเงินหายเงินหายแล้วหายยากคำถามจากคุณปิยนันค่ะถ้าปลวกขึ้นบ้านควรจะมีวิธีจัดการกับปลวกอย่างไรดีชัวคะที่บ้านจะใส่ยากาจัดปลวกแต่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าบาปช้าคะคือใครทาก็บาปคนไม่ทาก็ไม่บาป แต่คนบางคนเขาไม่เชื่อบาปเขาก็ทําเป็นอาชีพนีอย่างนี้ถ้าเขารู้เขาก็จะยินดีมาทําให้เราเขามีการโฆษณามีอะไรเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องบาปเขาคิดว่าเป็นเป็นไม่ผิดกฎหมายก็ถือว่าไม่บาปยังนี้นเขาก็เลยทําอาชีพนี้ถ้าเรา เดือดร้อนเสียหายเราก็บอกเขาให้รู้แต่อย่าไปสั่งเขานะสั่งให้เขามาทำให้เราไม่ได้ทำเองไม่ได้แต่ถ้าบอกเขาบอกบุญเขาบอกบาปเขาแล้วเขายินดีที่จะทำก็เรื่องของเขาไงคำถามจาก <c oughs> พี่คนดีกาลสิน <c oughs> แม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกมาอยู่วัดเพื่อศึกษาพระธรรมจะต้องทำอย่างไรดีคะท่านไม้พูดกับเราเลยเวลาที่เราไปเจอแม่ที่บ้านคะ่ะ ก็เรื่องนานาจิตตังเขาก็ไม่รู้ว่าการมาวัดมีคุณมีประโยชน์อย่างไรก็ปล่อยเขานิ่งไปเราอย่าไปโกรธเขาก็แล้วกันเขากโกรธเราให้เขาโกรธไปแต่เราอย่าไปโกรธเพราะความโกรธไม่ดีเราก็ยังต้องถือว่าเป็นแม่เราอยู่เสมอแล้วก็ตอบแทนบุนคุณอยู่เสมอส่วนเรื่องของความเห็นไม่ตรงกันนี้ก็ช่วยไม่ได้ พ่อของพระพุทธเจ้าก็คงโกรธพระพุทธเจ้าเนะี่ยพอรู้ตื่นเช้าขึ้นมาเอาลูกหายไปแล้วไปบวชนี่ก็คงจะโกรธคงจะสั่งให้ทหารไปค้นหาดนะูอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราไปทำความดีแล้วเขาโกรธ ก, ก็ช่วยไม่ได้แสดงว่าเขายัางมืดบอดอยู่คำถามจากคุณปิตาค่ะจะมีวิธีพิจารณาอย่างไร ถึงจะตัดห่วงทุกอย่างหรือปล่อยวางเพื่อจะมาบวชปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่คะ่ะก็สมมุติว่าถ้าเราไม่หายใจวันนี้แล้วของต่างๆที่เรามีอยู่นี้จะเป็นของใครให้เราเลอกถึงความตายแล้วก็จะปล่อยวางได้เพราะคนตายเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยเราต้องสมมุติว่าเราตายตั้งแต่ก่อนตายเนี่ยศาสนาสอนให้เรามาหัดตายก่อนตาย โดยการสมมุติว่าตอนนี้เราเหมือนคนตายแล้วเมื่อ <c oughs> เราเหมือนคนตายของต่างๆที่เป็นของเราเราก็แตะต้องไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เรายัางดียั ง, ยงแตะต้องได้แต่เราก็แตะต้องแบบไม่ไปยึดไปติดเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วเขายังไม่รู้คนอื่นยังไม่รู้ว่าไม่ไเป็นของเราวีเราคนเดียวที่รู้ว่าไม่เป็นของเรา เราก็ยังอาศัยใช้มันได้ตามความต้องการของเราต้องเราเลือกว่าในที่สุดเราก็ต้องตายกันพอเราตายแล้วสมบัติต่างๆที่เป็นของเราก็ไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปงั้นถอให้เรามาสมมติว่าเราตายตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วทีนี้ก็มันไม่ได้เป็นของเราแล้วคำถามจากคุณชุติมาค่ะ ข้อแรกนั่งภาวนาจิตส่งออกและเผลอหลับง่ายหากจะเปลี่ยนมาพิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนสามารถเห็นแจ้งแล้วค่อยมานั่งสมาธิที่หลังได้หรือไม่เจ้าคะก็ได้ถ้าเราพิจารณาได้ถ้าเราอยู่กับอาการสาสบสองได้ใจก็จะสงบได้เหมือนกัน อาการสามสิบสองนี่ก็เป็นกรรมาฐานอันหนึ่งเหมือนกับพุทโธแทนที่จะใช้พุทโธอดูลมเราก็ใช้อาการสามสิบสองท่องไปผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดท่องไปจนถึงครบอาการสามสิบสองแล้วก็ท่องถอยหลังกลับมาอานุโลมกับปฏิโลมท่องไปท่องมา ก็จะเห็นภาพต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราได้อย่างชัดเจนและร่างกายของทุกๆคนก็เหมือนกันหมดมีอาการ32เหมือนกันก็จะทำให้เกิดปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเลยไม่น่ารักน่าชมเลยแล้วถ้าพิจารณาว่าต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะเห็นว่ามั น, มนไม่เที่ยงแล้วถ้ามันตายไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไป มันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้ก็จะเกิดปัญญาทําใจให้สงบได้อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิก็ได้คำถามที่สองจากคุณจิตมานะคะพระอรหันต์จิตท่านจะไม่ส่งออกเลยใช่ไหมเจ้าคะอ๋อส่งออกแต่ไม่มีกิเลสพระอรหันต์ก็ยังเหมือนเราเนี่ยังส่งออกได้เ ห, นนหนเห็นคนนู้นเห็นคนนี้เดื่มน้ําดื่ม น้ำอะไรได้ใครถวายกับพงกาแฟน้ำชงน้ำชาอะไรก็ดื่มได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ติดไม่ยึดนมีก็ดื่มไม่มีก็ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนโวกเราเวลาไม่มีแล้วเดือดร้อนกันพอกาแฟหมดนี่วิ่งกันพราน้าไงแต่พร้าเนี่ยท่านจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆแต่ท่านยังสัมผัสรับรู้ได้ยังเสพได้ ถ้าไม่ผิดศีลถ้าเป็นสุรานี่ไม่เสพเนี่ย <c ười> คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะ <c ười> ถือศีลแปดในชีวิตประจำวันโดยเรายังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่จะทำได้ไหมเจ้าคะขอคำแนะนำด้วยจัะก็ลองทาดูส <ทำ S 2> ิ ค, <ะ>คุณก็ไม่ไม่ลองทำจะไปรู้ว่าทำได้เปล่าอาจจะมีอุปสรรคในบางข้อ ก็ลองหาวิธีแก้อุปสรรคดูเช่นไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันแล้วถ้าเกิดเราต้องเรียนในชั่วโมงเที่ยงนี้มันก็พอออกจากเที่ยงวันมันก็บ่ายก็ต้องกินก่อนเที่ยงกินตอนช่วงที่เราว่างสิบเอ็ดโมงหรือถ้าเราจะผ่อนผันไปตามวาระโอกาสก็อาจจ ะ, ะไม่กินหลังบ่ายโมงไปแทนที่จะไม่กินหลังเที่ยงวันมันก็แค่ชั่วโมงหนึ่งมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไร เราก็ยังไม่กินอยู่ดีหลังจากเที่ยงหรือบ่ายไปแล้วเรื่องแต่งหน้าทาปากก็ก็อาจจะไม่ต้องทําก็ได้แต่บางทีถ้าเรายังรักสวยรักงามอยู่เราก็อาจจะรู้สึกทําไม่ได้ก็ลองทําดูไม่มีข้อห้ามว่าต้องทําที่วัดอย่างเดียวทําได้ทุกสถานที่เพราะศีลมันไม่ได้อยู่ที่วัดมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ ที่เราใช้วัดเป็นที่รักษาศีลเพราะมันง่ายว่าไม่มีอะไรมาคอยยั่วยวนกวนใจเหมือนกับอยู่ที่อื่นอยู่ที่อื่นเดี๋ยวเห็นคนก็กินอาหารก็อยากจะกินตามเขาเห็นเขาร้องราทําเพลงก็อยากจะไปร้องราทําเพลงกับเขาก็เลยต้องไปอยู่ที่วัดที่ไม่มีอะไรมาคอยยั่วยวนกวนใจทําให้การรักษาศีลมันง่ายแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีพลังมีกําลังใจที่จะฝืน ถ่งยั่วยนกวนใจได้ก็รักษาได้แม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดนี่ขออนุญาตอ่านทีเดียวนะคะเหมือนจะหลายคำถามแต่ในเรื่องเดียวกันค่ะนั่งเห็นคนหน้าแข้งพิจารณาอย่างไรเจ้าคะนอนได้ยินเสียงให้พิจารณาบอกเกิดเหล่านี้คืออะไรเจ้าค่ะบางครั้งเห็นภาพมีเสียงพูดโดยที่เราไม่ได้นึกเลยเหล่านี้คืออะไรเจ้าคะ มีวันหนึ่งกำลังจะไปถือศีลที่วัดก็มีเสียงพูดจะไปหาเพื่อนที่วัดหรือหาสัจธรรมที่บ้านควรจะปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะอย่าไปสนใจมันเลยเ ป, เป็นเรื่องเพอเจอร์ทั้งหลายให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจเราจะมีหลักมีเกณฑ์มีความสงบอันนี้เป็นเรื่องของจิตที่มันบุงแต่งขึ้นมาต่างๆซึ่งไม่มีสาระคุณประโยชน์แต่อย่างใดต่อจิตใจ เอาให้เราปรุงแต่งอย่างเดียวคือคำว่าพุทโธพุทโธไปจะดีกว่าถ้าเรามีพุทโธพุทโธอาการต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดะแล้วเราจะต้องไม่ต้องมาถามว่ามันเป็นอะไรมาจากไหนมันก็มาจากใจของเราเนี่ยนะมันอยู่ในใจเราไม่ใช่เหรอมันปรากฏขึ้นมาในใจก็ใครเป็นคนทำมันขึ้นมาก็าใจเป็นคนทํามันขึ้นมาก็ามีเท่านั้นแหละมันก็เป็นความคิดปรุงแต่งที่ไม่มีคุณค่าประโยชน์ต่อจิตใจ แล้วถ้าไม่ฉลาดก็อาจจะทําให้เพ้อเจอหรือกลายเป็นคนบ้าได้ถ้าไปหลงเชื่อกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจงั้นอย่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้ความสําคัญกับการมีสติคือมีพุทธโทธดีกว่าแล้วถ้าอยากจะเชื่อก็เชื่ อ, อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่ า, าคําสั่งคําสอนมาคิดปรุงแต่งดีกว่าเอาเรื่องที่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรมา แต่งอย่าไปสนใจให้มาสนใจคำสั่งคำสอนพระตจ้าบอกให้คิดถึงเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา ค, คิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้จะดีกว่ามีคนประโยชน์กว่าตอนนี้คำถามหามดแล้วพอ่จาคำถามหมดมีใครอยากจะถามอีกไห ม, มได้เดี๋ยวขอส่งไมโครโฟนไปหน่อยชยวยพูดใกล้ๆปากหน่อยนะเสียงดังๆเลย คือมีลูกอยู่เก้าขวบนะคะแต่ว่าสมาธิไม่ดีเลยะคะ่ะหลวงพ่อไม่ทราบว่าจะเริ่มยังไงดีคะถึงจะให้เขามีสติ<อ>มีสมาธิดีขึ้นนะคะคเด็ก บ, บ, บางคนก็มีมีสติมากน้อยต่างกันค่ะก็สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือบางทีเราต้องส่งไปที่ที่เขามีการพัฒนาเด็ก ก็าเรียกว่าโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษเนี่ยเพราะเด็กบางคนนี่สติอยู่ในระดับต่ำมากไม่สามารถที่จะทำเหมือนเด็กทั่วๆไปได้เขาก็มีโรงเรียนเด็กที่เ็าเรียกว่าเด็กพิเศษที่ช่วยสอนให้ฝึกสติเขาก็จะสอนให้เด็กทำนู่นทำนี่แล้วก็ค่อยๆสอนไปค่อยๆสอนไปเด็กก็จะค่อยพัฒนาขึ้นไป อย่างที่ใกล้ๆที่นี่ก็มีที่ภูตาหลวงโรงเรียนสอนเด็กพิเศษ mm hmm. เขาก็เด็กที่ไม่ค่อยมีสตินี้มาฝึกมาสอนให้ทำนูน่ทนทานี่พาให้ไปเล่นนูน่นเล่นนี่ mm hmm. มีสนามเด็กเล่นมีของเล่นให้เด็กเล่น uh huh. ทำอะไรต่างๆเคยเคยพามากลาบครั้งแรกที่มานี้เป็นเหมือนจับปูใส่กระโดงวิ่งไปวิ่งมาแต่พอได้รับการฝึกแล้วพอมาต่อไปนั่งเฉยๆได้ ฟังครูได้ครูบอกให้นั่งก็นั่งครูบอกให้กราบก็กราบ อ, อันนี้ต้องมีการฝึกฝนอบรมถ้าเราไม่มีเวลาทําเองเราก็ต้องไปฝากตามโรงเรียนเหล่านี้คถ้าฝึกที่บ้านนี้ก็คือเริ่มจากสวดมนต์นให้เขาสวดมนต์เวล า, เาสอนให้เขาทาอะไรหัวหน้าตักข้าวกินเองได้ไหมทําอะไรให้เขาหัดทําอะไรไปเขาจะได้ฝึกสติไป จะถามเขาว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ท่องจำให้เขาจำไว้หัดจำไหมเด็กจะได้ใช้สติได้อขอบคุณค่ะ <c oughs> คำถามจากคุณทิดาค่ะโยมถือศีลแปดทุกวันพระแต่ทาแป้งทากันแดดและแป้งบาง ต้องไปสอนหนังสือไม่ได้ทาเพื่อความสวยงามอย่างนี้จะได้เหมือนเจ้าคะได้ถ้าทารักษาป้องกันไม่ไม่เป็นเสริมสวยความงามก็ทำได้มันก็ไม่ใช่เป็นความผิดสาหัสร้ายแรงอะไรก็ทำไปจนกว่าเราจะามีกำลังมากขึ้นลาแต่ว่าไม่ต้องทา ม, มันก็ได้ดังหน้า ด้วสบู่ให้มันสะอาดก็พอแล้วส่วนมันจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของอ น, นิจจังเดี๋ยวมันก็ต้องเหี่ยวมันก็ต้องย่นไปตามเวลาของมันอยู่ดีแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีปัญญาระดับนั้นก็ท า, าแป้งหน่อยก็ไม่เป็นไรคำถามจำผู้ไ <c oughs> ม่ประสงค์ออกนามค่ะลูกมีสติรู้สึกตัวว่าโลภโกรธหลง ทำยังไงจะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นหมดไปเจ้าคะก็ต้องเพิ่มสติต้องหันบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรก็อย่าปล่อยให้มันคิดพอคิดแล้วมันมักจะไปทําความโลภความโกรธความหลงดึงมันกลับมาที่พุทโธดีกว่าบริกรรมพุทโธพุทโธไปลดปริมาณความคิดปรุงแต่งให้น้อยลงไปความโลภความโกรธความหลงมันก็จะลดลงไปตามลําดับ คำถามจากคุณวิชัยค่ะการที่ลูกแนะนำให้พ่อแม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่ท่านไม่ได้ใส่ใจมาช่วงหลังหนักขึ้นท่านทำผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงทำให้ลูกรู้สึกเบื่อหน่ายแต่ก็ยังดูแลท่านอย่างดีเสมอแต่รู้สึกว่าความเคารพที่มีต่อท่านน้อยลงอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปกับลูกไหมครับ คือความเหนื่อยหนของเรามันเกิดจากความอยากของเราอยากให้พ่อแม่เข้าหาศีลธรรมพอท่านไม่เข้าเราก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายซึ่งเราไม่ควรที่จะไปมีความอยากแบบนั้นการที่แนะนำบอกท่านในเรื่องที่ดีบอกได้แต่อย่าไปมีความอยากกับความบอกนั้น เพราะถ้ามีความอยากแล้วเวลาท่านไม่ทำตามเราเราก็จะเสียใจเราก็จะโกรธหรือเราจะเบื่อหน่ายเราต้องมองว่าท่านก็เป็นเหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งแล้วเราจะไปอยากให้ท่านเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งถ้าท่านไม่ยอมเป็นเราก็ไปไปโกรธท่านไม่ได้เพราะท่านเป็นไม่ได้ท่านเป็นกล้วยเราอยากให้ท่านเป็นส้ม บอกท่านไม่เป็นส้มตามที่เราอยากเราก็เลยไปโกรธท่านก็อย่างนี้แหละเมื่อท่านไม่มีศรัทธาในเรื่องศีลเรื่องธรรมท่านอยากจะทำอะไรตามที่ท่านเคยทำมา <c oughs> ก็เป็นเรื่องของท่านเป็นอุปณิสัยของท่านเรามีหน้าที่บอกแล้วก็จบเ <c oughs> ท่านั้นเองเราก็จะไม่เบื่อหน่ายเราก็จะไม่โกรธเรากลับจะสงสารท่านมีความสงสารมากขึ้นว่า สงสารที่มีของดีๆแต่ท่านกลับไม่สนใจก็ถือว่าเป็นกรรมของท่านไปอย่างนี้จะดีกว่าแล้วจะทำให้เรารักท่านมากขึ้นสงสารท่านมากขึ้นทำอะไรอย่าทำด้วยความอยากแล้วมันจะไม่มีความผิดหวังตามมาคำถามจากคุณพนพิทักษ์ค่ะเราจะฝึกวิปัสสนาอย่างไรบ้างครับ วิปัสสนาก็คือการมองความจริงนั่นเองมองความจริงของชีวิตว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้รวมทั้งร่างกายของเรานี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเกิดมีเจริญมีเสื่อมมีดับไปเป็นธรรมดาคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันไม่ได้เป็นของเราต่อไปเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปหมดเวลาที่ร่างกายตายเราก็ทิ้งหมด ทิ้งร่างกายทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรต่างๆไปหมดเพราะข้อมูนไม่ได้เป็นของเรานั่นเองนี่คือวิปัสสนาให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ปล่อยวางแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเวลาที่เราจะต้องพัดภาคจากกันหมดแล้วนะก็อะอพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณา